ชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งเมื่อก่อนก็ดีเดี๋ยวนี้ก็ดีมักจะมีคนมาพูดคุยซักถามปัญหาชีวิตอย่างเช่นเกี่ยวกับเรื่องความท้อแท้หมดกำลังใจความท้อแท้หมดกำลังใจเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการทำงานหรือการใช้ชีวิต ก็เป็นปัญหาสำหรับเขาเขาก็ถามว่าเราทําไมต้องมีความท้อแท้ด้วยความท้อแท้เกิดขึ้นจากอะไรแล้วก็เราจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรอันนี้เป็นคําถามความท้อแท้หมดกาลังใจเนี่ยมันเกิดจากธรรมชาตินี่นะเขาให้สิ่งชดเชยมา สลหรคนที่ทำงานหนักๆทำงานมากๆหรืองานที่มีจุดหมายปลายทางซึ่งยาวไกลามากไม่ใชเรื่องการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยแตใช้เวลายาวนานซึ่งมันเป็นเรื่องที่ต้องทำอยู่จําเจทุกวันอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้เป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยความท้อแท้อะไรมาปรับสมดุลให้ในส่วนนี้ เพื่อว่าเราจะได้หยุดแล้วก็มาดูตัวเองมาพิจารณาตัวเองพิจารณางานมาผ่อนคลายเพื่อจะกระจัดไอ้ความท้อแท้นี้ออกไปซะอันนี้คือธรรมชาติก็ส่งความท้อแท้หมดกอำลังใจมาปรับสมดุลให้กับชีวิตเราเนี่ยมันก็เป็นการดีไปอย่างนะไม่งั้นเราก็จะทำงานไม่รู้จักหยุดจักจน สนุกกับการทำงานตั้งแต่เกิดจนตายชื่อเราก็จะกลายเป็นเครื่องจักรงานที่หนักหนาบางทีมันก็อาจจะมองเห็นผลได้ช้าจุหมายไปทางอยู่ไกลเนี่ยให้ความต้อแท้บอกกาลังใจเนี่ยมันช่วยทำให้เราได้พักผ่อนเนี่ยมาดูตัวเราเองอย่างนี้คิดว่ามันก็เป็นเป็นส่วนที่ดีเหมือนกันนะเนื่องคนเราจะไม่ได้หยุดพักเลย ช่ววันหนึ่งคืนหนึ่งจะทำแต่งานงานจนลืมตัวเองฝากชีวิตกับงานจนหมดชีวิตชีวตก็จะไม่เป็นอิสระเพะเียงแต่ว่าถ้าเราทำ ง, งานมากๆหรือการใช้ชีวิตที่ยาวนานเนี่ยเราได้หยุดพักเสียบ้างเนี่ยมันก็เป็นการดีนะเราจะได้พิจารณาตัวเองดูแลตัวเองได้ผ่อนคลายบ้างก็เราเกิดมาเนี่ย บางทีอย่างเช่นการทํางานและการใช้ชีวิตยอย่างเงี้ยบางทีงานเราเริ่มต้นมาตั้งนานแล้วพอเราต้อแท้หมดกาลังใจเราก็จะเลิกอีตรงนี้มันไม่ดีคือให้เราพักแล้วเราก็หยุดพักสักก่อนแล้วก็ทําต่อไปไม่ใชใ่เลิกล้มความต้อแท้ไม่ได้หมายเราต้องเลิกล้มงานนั้นเราก็จะไม่ได้อะไรเลยเราต้องหยุดพิจารณาตัวเอง พอเราได้สติได้วิธีคิดต่างๆเราก็สามารถทาต่อได้งานนั้นก็ไม่เสียหายไม่ต้องล้มเลิกเพียงแต่หยุดไปชั่วขณะหนึ่งการใช้ชีวิต่นเหมือนกันบางคนท้อแท้กับชีวิตชีวิตที่ท้อแท้เนี่ยซึ่งเราใช้เวลามันนานครึ่งชีวิตกล้อนชีวิตอย่างเงี้ยแล้วเรามาท้อแท้ดูสิและจริงๆเราลงทุนไปกับชีวิตของเราเนี่ย มัก็จะพลอยสูญหายไปด้วยมาหยุดชะ ง, งักสักก่อนมันซึ่งมีประโยชน์อะไรซึ่งชีวิตมัต้องเดินไปข้างหน้าเรื่อยๆเรามาหยุดพักแอบมาหยุดล้มเลิกต่อแท้หมอกําลังจใจกับชีวิตจิกรเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่ไม่ประสบผลผล็จในชีวิตแล้วก็มันหมดคุณค่าไปเลยหยุดพักสักหน่อยพักผ่อนปลีกตัวเองสักหน่อย เราจะได้มีพลังมีใจที่ผ่อนคลายเพื่อจะไปใช้ชีวิตต่อไปมันเหมือนกับว่าเราเดินขึ้นภูเขาอะคิดว่าจะติด ท, ทำหลายท่านก็คงจะเคยเดินขึ้นภูเขาภูเขาเนี่ยนะมันจะมียอดเขาที่มันอาจจะสูงพอเราอยากจะเดินขึ้นไปอยากจะไปข้างบนยอดเขาเราไปสักครึ่งทางแล้วเราก็เหนื่อย แล้วก็มองจุดหมายไปทางว่าโอ้ยยาวไกลเลยแต่บางคนเขาจะหยุดพักพักผ่อนซะนอนหลับัะตื่นหนึ่งก็ได้กินน้ำกินท่าแล้วก็พอหายเหนื่อยแล้วค่อยเดินต่อไปเนี่ยอันนี้เป็นการรู้จักหยุดพักเนี่ยดีกว่าคนที่พอขึ้นไปครึ่งทางแล้วมองเห็นยอดเขาซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางอยู่ไกล แล้วก็ล้มเลิกแล้วก็เดินลงเขาซึ่งไม่ได้อะไรเลยลงมาก็หลักกายเป็นว่าเราไม่ได้ขึ้นไปถึงยอดเขาเลย อ, อันเนี้ยเพราะงการทอแท้มอกกำลังใจเนี้ยมันต้องได้หยุดพักถ้าไม่ได้หยุดพักเรยท้อแท้เป็นนานมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรย่าดีธรรมเราทอแท้ได้นะแต่ว่าเรารู้จักที่จะผ่อนคลาย ทอแล้วอย่าถอยถ้าถอยเราก็จะไม่ได้อะไรเลยทอแล้วก็หยุดพักพักผ่อนอนคลายซะไม่ต้องรีบร้อนพอสบายใจแล้วเราก็เดินต่อไปเนเราจะได้ได้หยุดพักด้วยแล้วก็ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางในที่สุดเราก็จะการคนที่มีคุณค่าทำอะไรก็สาเร็จอะไรเกิดความภูมิใจก็มีความสุขก็มีกำลังใจ ที่จะดำเนินชีวิตหรือทำงานต่อไปนก็ขอส่งกำลังใจมาช่วยให้กับญาติที่ทำทุกๆคนเนี่ยที่ต่อแท้แล้วก็หมดกำลังใจ